บัณนี้จะสแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุรชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงปัจจัยของรูปซึ่งเป็นเหตุให้รูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่แม้แต่การเสื่อมสลายไปโดยทรงเน่นว่าสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปโดยเหตุปัจจัยเหปัจจัยเหล่านั้นมีทางอดีตและปัจจุบันปัจจัยทั้งสองประการนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกันสนับสนุนกันและกันเมื่ออย่างหนึ่งเกิดเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นติดตามมาในสายเดียวกันและเมื่ออย่างหนึ่งลด อีกอย่างหนึ่งก็จะลดตามไปในสายเดียวกันแต่โดยภาคของการปฏิบัติแล้วเมื่อฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งก็ต้องดับไปซึ่งก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมดามแต่กล่าวถึงปัจจัยในปัจจุบันก็คือเรื่องของอาหารที่ทรงจำแนกแสดงไว้เป็น4ประการอาหารในความหมายที่แท้จริงนั้นหมายถึงสิ่งที่นำผลมาเท่านั้นเอง ไม่ได้บ่งบอกว่าจะดีไม่ดีหรือเป็นกลางๆหรือถ้าดีก็นำผลดีมาถ้าไม่ดีก็นำผลไม่ดีมาประเภทแรกก็คือกาวริงการาหารนั่นมีทั้งส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษจะมีลักษณะท่าทายสติปัญญาของมนุษย์ผู้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้จะนาอาหารอะไรเข้าไปสู่ช่องปากของตัวเอง ที่นำไปแล้วจะนำผลในทางที่เป็นสุขเวทนาให้บังเกิดขึ้นล้วควรจะงดเว้นอะไรซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งบางเรื่องก็ส่งก็บนาแสดงเอาไว้บางเรื่องเป็นการตัดสินเฉพาะหน้าของบุคคลดดนั้นแม้แต่สิ่งบางสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลบางคนแต่อาจจะเป็นโทษสมหรับบุคคลบางคน ที่เราเรียกว่าเป็นของแสลงสมาบคลณ์นั้นปรติปัญญาในการใครกวนปิณิพิจณาเลือกเฟ้นอาหารในกรณีนี้จึงต้องใช้อย่างต่อเนื่องเกิดเปิดเรือพลังพลาดลงลืมไปในช่วงใดช่วงหนึ่งหากว่านำสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปก็ต้องตามไปแก้ปัญหานเหล่านั้นอีกต่อหนึ่งหรืออาจจะหลายๆต่อก็ได้ การที่สองในส่วนของวิญญาณอาหารเป็นเรื่องของโลกสัมผัสที่บุคคลจะต้องประสบอยู่ในชีวิตของแต่ละคนและต้องประสบอยู่ทุกขณะโด้วยจไปแม้บางครั้งบางคราวเราจะนอนหลับตาไปแล้วหูไม่ได้ยินเสียงอะไรไปแล้วจมูกก็ไม่ได้ดมกลิน่นลิ้นก็ไม่ลิ้มรสกายก็ไม่ได้สัมผัส แต่กายก็ต้องสัมผัสเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะถ้าไม่สัมผัสมันก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าใจของบุคคลก็อาจจะเหนียวนึกถึงอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจึงในกลุ่มของอาหารกลุ่มวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเหล่านี้ก็มีอยู่สามลักษณะเช่นเดียวกันตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ ดีก็มีไม่ดีก็มีและที่เป็นกลางกลางก็มีข้อปฏิบัติในชั้นนี้จึงทรงจําแนกแสดงไว้มากเป็นพิเศษท่ น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการเลือกเฟ้นอารมณ์ที่จะรับรู้แล้วเกิดความสุขเป็นมีเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเพราะความสุขเป็นผลที่พึงประสงค์สําหรับบุคคลทั้งหลายหรือสาหรับสรรพปชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ ปุวิญญาณอาหารจึงนำทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเข้ามาเพื่อเกิดผลในการประพฤติปฏิบัติที่ต่อเนื่องพระพุทาเจ้าจึงได้เน้นเป็นหลักของการปฏิบัติเอาไว้ถึงสี่ช่วงด้วยกันคืออารมณ์อันใดที่ยังไม่ผ่านเข้ามาและมีคำว่าเมื่อผ่านเข้ามาแล้วก็จะก่อให้เกิดกิเลส ข, ขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ถึงในนอนต่อจากานั้นเราก็กลายเป็นคนไม่ดีแล้วก็มีความทุกข์รากฏะคดร่างกายทั้งจิตแล้วก็สืบเนื่องไปเป็นการหยาบนั้นก็ทรงสอนในกฎเว้นคือสํารวมระวังไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ว่าอาหารบางอย่างคือเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในใจแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเหนียวนึกการตรึกนึกสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมารมม์มันก็มีอยู่แล้วภายในใจเราแต่ จ, จะเหนียวนึกตึกนึกไปในทางที่ไม่ดีพระเจ้าก็ทรงสอนไว้ที่จริงก็หลายระดับแต่มุ่งไปในการล ด, ดละบรรเทาผ่อนคลายความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นรุ่มรุมใจอย่าน้อยก็เกิดไม่มากเกินไป แต่จุดมุ่งหมายสูงสุดก็อยู่ที่การละสิ่งเหล่านั้นออกไปอย่างสิ้นเชิงจะได้ขณะเดียวกันสิ่งดีงามทั้งหลายรก็เกิดขึ้นมาทางประสาทสัมผัสเช่นเดียวกันเราก็ทรงสอนในรูปของการเลือกเฟ้นแล้วพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งดีงามแม้จะอยู่ในที่ไกล ต้องใช้คําว่าแม้จะต้องมีสเสบียงสำหรับเดินทางทางนั้นธุระ ก, กันดันก็ควรจะไปดูไปฟังสิ่ง่นั้นอย่างภาพของบุคคลทั้งหลายในสมัยอดีตรหรือแม้ในสมัยปัจจุบันที่มุ่งไปดูไปชมหรือไปฟังสิ่งที่จะเพิ่มศรัทธาภาษาธะสิ่งที่ทวมบุญกุศลให้เกิดขึ้นแกน่ตน ด้วยความอุตสาหาพยายามอย่างสูงด้วยความเสียสละอย่างสูงที่จริงการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นจากการวินิจฉัยอารมณ์แล้วว่าสิ่งโหนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ควรแก่การดูควรแก่การฟังตลอดถึงควรแก่การสูดดมการลิ้มการชิมการจับต้องก็เข้าไปหาสิ่งเหล่านั้น เพื่อเพิ่มพูนสิ่งดีงามต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตของตัวเองในโครงสร้างของการประพฤติปฏิบัติก็ทรงใช้คําว่าภาวนาประธานคือทําสิ่งที่ยังไม่มีมีขึ้นสิ่งที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้นแต่เ น, น้นเฉพาะส่วนที่ดีๆในส่วนหนึ่งสิ่งดีงามต่างๆที่มีอยู่แล้วเป็นลักษณะของอารมณ์คือธรรมอารมณ์เช่นเดียวกัน มีการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาวะของสิ่งเหล่านั้นสภาพจิตที่สัมผัสการมเหล่านั้นจะยกตัวอย่างว่าจิตคุ้นเคยกับการใช้เมตตาใช้กรุณาจนมีความสงบเย็นจากความอาฆาตพยาบาทจากความเบียดเบียนจากความโศกจากความรักเป็นต้นเห็นว่าตัวในสัมผัสความสงบความสุข จากคุณธรรมเหล่านั้นแล้วก็เพียนพยายามรักษาไว้ในขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มพูนต่อไปนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติในส่วนของอารมณ์ที่ไม่ดีและในส่วนที่ดีซึ่งจะหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้มันต้องเกี่ยวข้องอยู่เยียงว่าเกี่ยวข้องอย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงผัดสาหาสอาหารคือผัดส อันที่จริงเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายเราคือเราเมียยานตนาภายในภายนอกเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณขึ้นมาก็ตามประสาทสัมผัสคือหกอย่างเราเรียกเต็มที่ว่าจา ก, กปุบิญญาณโ ส, สตาบิญญาณจนถึงมนโนวิญญาณคือความรู้ทางใจ อาศัยอายัตนาภายในภายนอกและวิญญาณสาประการนี้เองมาประกอบกันมารวมกันท่านเรียกว่าสัมผัสที่จริงแล้วเป็นเรื่องขณะจิตแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายไปสังเกตว่าแม้จะเป็นขณะจิตแต่กิเลส ก, ก็ดีธรรมะก็ดีเกิดขึ้นได้ทั้งสองตอนเกิดที่อายัตนาภายในก็ได้อายัตนาภายนอกก็ได้เกิดที่วิญญาณก็ได้เกิดที่ ผัดสาก็ได้คือการกระทบก็ได้เพาการกระทบมันก็มีหกสายเช่นเดียวกันในแนวของการประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีการวินิจฉัยมาตั้งแต่อารมณ์ซึ่งราสัมผัสว่าควรแก่การสนใจหรือไม่ควรแก่การสนใจถ้าอารมณ์ใดสนใจไปแล้วเกิดกิเลส ก็ไม่สนใจในอารมณ์นั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็นี่เนสังเกตเช่นมีคนด่า ว, ว่าคนนินทาคนกราวร้ายเราด่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะไม่กระทบทางประสาทสัมผัสไม่เป็นวิญญาณอาหารไม่เป็นผัสสาหารจึงไม่มีผลต่อจิตใจของบุคคล ถ้าเราปล่อยว่าอย่างนั้นผลดีงามต่างๆก็คงมีอยู่ภายในใจแต่ตามปกติแล้วใจคนไม่ยอมสงบแม้เขานินทากราวรา้ายก็พยายามดิ้นรนขวนขวายส่งคนไปสืบทราบบางคด่าฉันังไงเขานินทาฉันว่าอย่างไงเพื่อจะได้โกรธด้วยเป็นการส่ายไปหาเรื่องหรือแสไปหาเรื่องโดยไม่จำเป็นอะไร เพราะว่ากันตามความเปจริงแล้วเมื่อคนอื่นพูดพูดถึงเรา n ั้นมันจะพูดอยู่สองทางเท่านั้นเองคือสันเริญหรือนินทามันไม่มีทางที่สามพูดทางดีกับทางไม่ดีเท่านั้นไม่ได้มีพูดทางที่สามคือทางกลางๆมันไม่มีจะกล่าวถึงในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีเท่านั้นเพราะการพูดของบุคคลเหล่านั้นที่จริงแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่เราไม่รับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาถ้าเรารับสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ความโกรธแค้นความกโกรธความอาฆาตพยาบาทเราเห็นได้ชัดว่ากิเลสมันก็เกิดขึ้นอาจจะรุนแรงจนถึงด่าต่อประหารต่อประทุษร้ายตอบซึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาดังนั้นในข้อนี้ก็ส่งสอนในรูปของมนานัสการคือไม่สนใจ อำนาจสิการคือไม่สนใจไม่ใส่ใจในเรื่องดอกหนึ่งก็จบแต่ในชั้นหนึ่งอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่เราทำไม่ได้คือจะไม่สนใจมันก็ไม่ได้เพราะได้ยินแล้วได้เห็นแล้วได้สุดลมแล้วได้ริมแล้วได้จับต้องแล้วในข้อนี้ตรงนี้แหละที่ทรงใช้คำว่าให้สนใจโดยอุบายวิธีอันแยบขาย ใช่เหตุผลใช้สติปัญญาตรวจสอบพิจารณาหาสาระแก่นสารจากสิ่งเดียานั้นให้ได้กรนี้บึงสังเกตตัวอย่างพระผู้มีรภาคเจ้าทรงใช้วิญญาณและสัมผัสได้ทั้งสามลักษณะคือเกิดประโยชน์ได้ทั้งสมลักษณะในตัวที่เป็นสภาวธรรมธรรมชาติธรรมดาพระองค์ก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ บันทีสิ่งเหล่านั้นไม่มีชีวิตวิญญาณอะไรเช่นเป็นท่อนไม้แต่พระองค์ก็หาประโยชน์จากท่อนไม้ที่ทรงเหตุได้พนท่อนไม้เท่านั้นในแง่ของอาหารมันก็เป็นวิญญาณอาหารคือความรู้ทางความรู้ทางตาแล้วก็กระทบ่างๆาก็เป็นผัสสาะหารเป็นจกกักรุสัมผัสคือการกระทบ่างๆแต่ท่อนไม้มันก็มีเปลื่นไปทุกคนทุกแห่ง แต่พระพุทธเจ้ากับทรงใช้ท่อนไม้เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพพระไัยของพระองค์ในขณะที่กำงเป็นเพียงก่อนการจัดสรุปได้โดยมองไปที่ท่อนไม้ท่อนหนึ่งซึ่งแช่อยู่ในน้าทรงพิจารณาน้อมนึกมาเทียบเคียงกับพระไัยของพระองค์พระสัรนพรามเราใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ยังไม่ออกจากก่ามใจก็ยังปวัวพันหมกมุ่นอยู่ในกรม สำนักพรมเหล่านั้นแม้จะใช้ความเพี่ยนพยายามอย่างไรก็ตามจะไม่สามารถบรรลุกุติพิเศษได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและวางไว้ในน้ำบุคคลผู้ต้องการไฟนำเอาไม้นั้นมาสีเพื่อให้เกิดไฟมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แล้วก็นำมาวิเคราะห์ตรวจสอบของพระองค์ว่าพระองค์อยู่ในฐานะไม้ชนิดนี้หรือไม่ก็เห็นว่าไม่ใช่เพราะกายของโรงหลีกเร้นออกมาจา ก, กามแล้ว แต่ปัญหาที่น่าข้องใจก็คือว่าทําไมจึงไม่บรรลุมรรคผลมันก็มองไปที่ท่อนไม้อีกท่อนหนึ่งซึ่งเป็นไม้สดแต่วางไว้บนบุกตัวน้อมนึกกระหาพระองค์น้อมพระองค์ก็ไปหาท่อนไม้แล้วก็พิจารณาว่าสมณพราหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งที่กายแม้จะออกไปจากอํานาจของกามวัตุกามแล้ว แต่จิตใจยังปัวพันหมกพุ่นวุ่นวายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสกรรับมาความกายแยกมาจริงแต่ใจไม่ได้แยกปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กายพลสมพรนณพรามเหล่านั้นแม้จะใช้ความเพี่ยนพยายามอย่างแสบเพสาหัสอย่างไรก็ตามจะไม่สามารถบรรลุคุณวิเศษได้มันเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ในยางแม้วางไว้บนบกก็ตามแต่ยังเปียกยางอยู่ โอกาสที่จะเสียเกิดไฟมันก็สีไม่ได้ก็มาวิเคราะห์ดูพระไท่ของพระองคเกว่าพระไทของพระมันก็แวงไปแหวงมาอย่างนี้ดังนั้นจึงมองไปที่ท่อนไม้อีกท่อนหนึ่งซึ่งเป็นไม้สดที่ไม่มียางแล้วและ ว, วางไว้บนบกก็วิจารณาว่า สัมนภาลเราได้โหลดหนึ่งที่มีกายออกจากการรมแล้วตั้งใจก็ไม่ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในการมสัณพราหม์เหล่านั้นเมื่อใช้ความเปลี่ยนพยายามอย่างแรงกล้าก็สามารถบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้สดเหมือนไม้แข้งที่ปราศจากอย่างและวางไว้บนบกบุคคลต้องการจะนําไม้นั้นมานสีให้เกิดไฟมันก็เกิดไฟเกิดมาได้แต่คําว่าไฟในที่นี้ไม่ได้ไฟคือกิเลสแล้วไฟคือหญาณ เพราะสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นปสังเกตว่าจะทรงใช้ได้ทั้งแนวบวกแนวลบไม่ได้หมายความว่าใช้เฉพาะกรณีของกิเลสเสมอไปบางการณีก็ใช้ในกรณีของธรรมะเช่นตัวอย่างทรงเอารอยขีดสามรอยรอยขีดในานา้ํารอยขีดในดินรอยขีดในหินมาเป็นตัวอย่างของจิตที่ประกอบด้วยความโกรธ บางคนบางคนโกรธแบบรอยขีดในน้ําคือโกรธแล้วก็หายไปเลยบางคนโกรธแบบรอยขีดในดินมีการผูกโกรธเอาไว้ที่ท่านเรียกว่าอุปนาหะผูกโกรธไว้ระดับหนึ่งแล้วก็เลือดหายไปคนบางคนโกราธเป็นอาฆาตปยาบาทเหมือนก็รอยขีดในหินแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ติดอยู่อย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็พลิกกลับมาในด้านฝังธรรมะ ก, ก็ได้ คนบางคนนั้นฟังธรรมแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจวูบขึ้นในขณะนั้นเหมือนก็รอยขีดในน้ําาบงคนฟังแล้วมีความเข้าใจมีความทรงจำํำไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็ลืบเลือนไปเหมือนก็ระไรขีดในดิดคนบางคนแม้ฟังสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะนั้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ตนฟังนั้นเหมือนก็ระไรขีดทีด่หิน ซึ่งแสดงว่าธรรมชาตินั้นจะอุปมาส่วนใดก็ได้เราคุ้นไฟในฐานะที่เป็นกีดเนีแต่แท้จริงไฟคื อ, อยานไฟคือปัญญาที่เป็นแสงสวางส่างก็ทรงใช้เทียบเคียงอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึง่งก็ในแง่ของการเผาทำลายด้วยแต่ว่าเป็นการสร้างแสงสว่างด้วยหมายความมาเอามาทั้งเผาทำลาย แล้วทั้งเป็นแสงสว่างได้เผาทำลายสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ส่องแสงสว่างขึ้นในจุดนั้นๆโทนที่อุปมาเป็นรูปของกิเลสนั้นจะมองไปในแง่แผดเผาคือความร้ารอนไม่มองไปในแง่แสงสว่างพราะคุณสมบัติของไยที่ติดกันจนแยกกันไม่ได้คือสว่างกับร้อนก็แล้วแต่จะเอามาเอามาสองอย่างก็ได้เอามาอย่างเดียวก็ได้นั่นคือลักษณะของอุปมา แต่ในสุดจุดเุ่งหมายของพระองค์ก็มองไปที่จะทําพระไถยของพระองค์ให้เหมือนกับไม้แข้งที่ปราศจากอย่างและหวางไว้บนบกุกในที่สุดก็บําเพ็ญเพียรไปสู่จุดนั้นจนจะสรู้ได้ในการต่อมาประการต่อไปนั้นคํากล่าวร้ายว่ารายของบุคคลทั้งหลายซึ่งเป็นลักษณะอกุศลเขาเองก็จิตใจประกอบด้วยอกุศลตัอคําเหล่านั้นก็เป็นวจีทุจริต แต่สำหรับพระพุทธเจ้าเองกลับหาประโยชน์ได้ยังกราสเดจไปที่นครโกสมุมีนามาคัณยาจ้างคนมาด่าด้วยอกโกสวัตุสิบประการคำหยาบคายมากเป็นคำตำตาๆด้วยดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนระดับราชินีของพระเจ้าแผ่นดินจะมาจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าด้วยคำที่หยาบมากขนาดนะั้น ถ้าอื่นเดือดร้อนแม้คนระดับพระอานนท์เองก็ยังเดือดร้อนแต่พระพุทธเจ้ากลับส่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นภาระกิจของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมที่จะต้องอดกลั้นต่อคำล่วงเกินหยาบคายร้ายกาจของบุคคลทั้งหลายเราในโลกนั้นคนทุสีแน่นมีมากเราอยู่ตรงกลางบุคคลเหล่านั้น ต้องเกี่ยวข้องต้องใกล้ชิดต้องร่วมกิจการงานกับบุคคลเหล่านั้นในบางโอกาสแต่ปราศจากเสียซึ่งความอดกลั้นความอดทนต่อความก้าวร้าวรุนแรงของบุคคลดอนนั้นแล้วในที่สุดเราจะลดตัวเองลงไปเสมอกับบุคคลเหล่านั้นด้วยโดยทรง <S <S อุปมาเห็นว่ามันเหมือนกับช้างศึกที่เข้าสู่สงครามมันจะถูกอาวุธโลหล้าวแหลนหอกดาบตะนูเป็นต้นเข้ามาในจิตนั้น ช้างผู้ต้องการเอาชนะให้ได้มันก็ต้องทนต่อลูกศรหล่นนั้นได้แล้วปฏิบัติภารกิจของตนไปโดยไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บปวดรุ่ดราวทุกตระบัณเหล่านั้นใจนั้นมุ่งไปที่หนึ่งพันเราจะพบว่าเมื่อใจช้างมุ่งไปที่หนึ่งความเจ็บปวดก็ถูกแยกออกไปจากใจที่มุ่งไปในการงานของเราตนความเจ็บปวดจึงกลายเป็นความเจ็บปวด โดยใจของช้างไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเจ็บปวดเพราะตัวเองทํางานอย่างหนึ่งอยู่ถึงด้านลักษณะเหล่านี้เพืสังเกตเช่นเราทํางานเรานั่งอ่านหนังสือรถปฏิบัติการงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใจิตใจที่แน่วแน่อยู่กับการงานเหล่านั้นบางทียุงกัดบางทีมดตายบางทีมดกัดเราก็ไม่รู้สึกแสดงให้เห็นว่าตามปกติสภาพจิตแล้วก็แยกได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจิตจะต้องมีความมั่นคงมากพอปวดก็สักแต่ว่าปวดเจ็บก็สักแต่ว่าเจ็บอย่างที่ทรงสอนพระพายาตรุจริยะาที่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็สักแต่ว่าได้ทราบได้รู้ก็สักแต่ว่าได้รู้แต่ว่าจิตไม่คล่องแวะอยู่กับอารมณ์นั่นบางทีคำยกยองสนรเสริญทั้งหลายซึ่งมีปรากฏอยู่เป็นอันมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงถึงสัจความจริงที่ควรจะได้ประโยชน์จากคําสรรเสริญเหล่านั้นไว้สําหรับพระองค์เองนั้นไม่ข้องติดในคํายกย่องหรือสรรเสริญหรือคําดินทาแต่ประการใดแต่ว่าจะใช้คําสรรเสริญยกย่องเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการดึงคนอื่นขึ้นมาสัมผัสในจุดเดียวกัน ซึ่งทีก็ทรงทําเองบาง ท, กง ท, งางทีก็อาศัยการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือเป็นสื่อในการที่จะดึงจิตใจของบุคคลอื่นผู้ปรารถนาผลเช่นนั้นให้ใช้ความเปลี่ยนพยายามปฏิบัติมาสัมปชัญผลในระดับเดียวกันถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้า ม, มีวิญญาณอาหารไหมมีภัษสอาหารไหมก็บอกว่ามีแต่เป็นการมีอย่างรู้เท่าทันถึงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น ประสบกับวิญญาณอาหารประสบกับปัสสาวะหารจึงไม่ได้เกิดทุกขเวทนาไม่เกิดเศร้าโศกทึงสิ่งที่ผ่านมาไม่เกิดการขอยคว้าทึงสิ่งที่ยังไม่ถึงไม่กำหนดเพลิดเพลิอนอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะทรงมองเห็นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติธรรมดาสึงเหล่านั้นเขาอยู่ในเงื่อนไขของเขาเราก็อยู่ในเงื่อนไขของเรา ก็เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปโดยเงื่อนไขของเขาเองเราเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยเงื่อนไขของเราการไปกฎกำหนดหมายสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างโน้นนั้นไม่ใช่วิสัยที่บุคคลจะทำได้เพราะนั้นพระองค์จึงมีพระทยที่อยู่เหนือเหตุการณ์ด้วยทำพระทยอยู่เหนือเหตุการณ์ ในขณะที่คนทะเลาะกันพระองค์ก็ไม่ทะเลาะกันก็เป็นสุขดีในขณะที่คนเบียดเบียนกันพระองค์ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุขดีในขณะที่คนกําลังเพลิดเพลินเฉลิมฉลองกับการยกย่องสรรเสริญทั้งหลายพระองค์ไม่กําหนัดเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นมันก็กลายเป็นความสนุกดีเป็นความสุขดีอย่างที่ทรงประรบการทําสงครามของพระญาติ ในสากยจะวงและกดอยู่วงที่แย่งน้ําในแม่น้ําโรฮิเนีเพื่อทํานากันพระเจ้าทรงมองบุคคลเหล่านั้นที่กำลังจะห้ามพ่นกันในศึกสงครามและมองพระองค์ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันแต่สภาพจิตนั้นแตกต่างกันดล็กน้อยสภาพจิตของพระญาทั้งสองฝ่ายทั้งที่ททททเป็นพระยากันมุ่งที่จะห้ามพันมุ่งที่จะทำลายล้าง องค์ที่จะต่อสู้เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งพินาศไปแต่ในที่สุดพระองค์ซึ่งยืนอยู่ในที่นั้นประทับอยู่ในที่นั้นโดยกลับได้ความสุขซึ่งเกิดกาดจากจากวิเวกเป็นอุปเิวิเวก ค, คือสงัดจากกิเลสจริงๆเหตุการณ์นั้นกุขามอารมณ์สำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วก็กุขามอะไรพระองค์ไม่ได้ เพราะลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากแต่เพิ่งสังเกตว่ามันเป็นกระบวนการทางปั จ, จัยการเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าไม่รู้เท่าทันทั้งความเป็นจริงของอาหารทั้งที่ผ่านมาทางลาคอทั้งที่เป็นวิญญาณทั้งที่เป็นปัสสามันก็จะเกิดอภิชาหรือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ จะเกิดโทมนัสหรือความไม่พอใจหรือความโกรธขึ้นมาตามลักษณะของการกาหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆแล้วต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปก็จะออกมาเป็นทุกข์เป็นสุขหรือเป็นกล า, างๆตามสมควรแก่การกาหนดหมายอารมณ์ตอนนั้นด่งนั้นเรียกว่าเวทนาเวทนาแล้วเป็นอะไรมันก็กลายเป็นตัณหาต่อไป หมายความว่าส่วนใดที่ใจไปรู้สึกว่ามีความสุขเป็นสิ่งที่ตีใจก็คว้าด้วยอานาจของตัณหาด้วยด้วยอำนาจของกามตัณหาภวะตัณหาถ้าในส่วนใดที่เป็นทุกเวทนาใจปฏิเสธมีความรู้สึกว่าไม่ดีไม่น่าใคราไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจใจก็ตกเข้าสู่กระแสของวิภวะตัณหาและในที่สุดก็จะหมุนวนอยู่ในเรื่องเหนั้น ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตามลักษณะาการกําหนดอารมณ์ในขณะนั้นเป็นตัณหาแล้วเป็นอะไรก็เป็นอุปาทาน ใ, นใจก็จะไปยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเหียดนั้นแม้ด้วยยึดมั่นหรือมั่นด้วยความรู้สึกว่าของเราเพียงอย่างเดียวความทุกข์ในรูปรักษณ์ต่างๆก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นภายใ น, ในใจิตใจของบุคคลเดีนั้น แต่ถ้าตัดกระแสตรงในตัวหนึ่งได้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ตามปกติแล้วเมื่อเกิดเป็นอุปาทานมันก็จะเต็มรูปเพราะเป็นกระบวนการของกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาว่าสายใดสายหนึ่งเกิดขึ้นตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นกิเลสตัวอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นมันเป็นสูตรของเขาอย่างเง้ วันที่เริ่มตรงนี้ต่อไปกิเลสตัวหน่งก็เกิดํามนองคล้ายๆกับเราเริ่มที่คบคนผ่านอนบายมุกต่างๆที่จริงยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรามาในตอนต้นก่อนที่จะคบคนผ่านแต่พอคบคนผ่านเข้าวิธีชีวิตเราก็หักเขเปลี่ยนไปตามการเจรินจวนชักชวนปลักไสเสืกใสข่มขู่บังคับก็แล้วแต่ ของคนผ่านเท่านั้นเพรา ะ, ะความทุกข์กระบวนการของความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นวิภาวะตัณหาเป็นอุปาทานแล้วกลายเป็นภพคือความมีความเป็นก่อนเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีสุขมีทุกข์อยู่ในขณะนั้นๆแล้วกลายเป็นชาติความเกิดตั้งช่วงสั้นๆคือช่วงเกิดการเกิดของความคิด แล้วก็ช่วงยาวๆคือการหมุนบทในสังสารวัตตามสมควรแก่ลักษณะของกุศลเรื่องกุศลซึ่งเกิดขึ้นปรุงจิตของบุคคลในขณะนั้นๆก็เทนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสิตต่อไ